เสีขาดมันก็ไปทั่วเสียคุณพี้เขื่อนผูกคุยเพื่อนลูกมันสิไปไหนอยู่บอาเขื่อบวกขาดเสียขาดมันก็ไปส่นตัวมันเสีอบวกขาดมันทำไมจะไปได้ใครมีสติตัวบ่มีบอกใครมีสติก็บ่มีคนคิดจะไต่ขันบอกสติกับเตือนเสือกผูกคิดกันี้ว่าสติสมาธิปัญญา ภมีสติสมาธิเขบาบ่เกิดสมาธิบ่เกิดปัญญาของภมีสติสมาธิปัญญานะที่เขาจะพูนข่าวของสติปีิบอเวการมอปฏิบัติถ้ำกับเป้าให้เขาสั่ง ส, สตินี่สติจิตตานอเนื่องบกาดเหมืนเสียนได้พระอรหันต์เป็นปิจิรสัมท่านนี้สั่งสติ พอเรียกอาจารย์แกมัมาั้งแปดใจสิขาดใจสิขาดสามสิบสสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาเนี่ยที่สติก็เป็นสินสินก็สติก็ยึดต้องกันธรรมเนี่ยสติธรรมันเป็นสินในองค์มักคองค์ผลพรามันสินดับปากลราบอกว่าชื่อสินบอกว่าชือท่านบอกีนสินในองค์มรกคสินในองค์มรกเนี่ยมันจะรื่องนีสติเนี่ย การปฏิบัติธรรมจากำกหนดเวลาให้กำหนดสติมีสติอยู่ที่สงไหนจะเป็นธรรมขึ้นมาที่สมนั่นถ้าไม่มีสติก็ไม่เป็นธรรมทั้งวันทั้งคืนก็กล้ากับผู้วางตัวหันบงมีเหตุเดเอาสุด่้อนะ้ะ ม่าเป็นบาเลยเนาเป็นบาปนะนท่านเมป็นบาปบาปเป็นบาปเยมันเขาม่น่นเป็นบาปเป็นบาทั้งเชี่งอ๋อนั่นก็ได้สวสีบที่อนอนหย่ากันมักเต็มแผ่นเลยพิษโดยขันให้ต่างลอยหนพิดโดยเือจเบื่อโดยขี้เจ้าว่ามันขาดรเทศไป ความสนิทสนานเกิดขึนหมายมันสมนิสนาณใ น, มม น, น, นนะวัตถิตรนอนอย่างกันท่านบนบทสตรตอนนอนอย่ันสมาธิไม่ใช่มีจะไหนหรอสติสมาธินะ่ะสติวทตถิตรนอนมีมัเป็นสมาธิจะไหอ่ะทสามดาวัก ท, ทรงความเข้มข้นสรับสนุนเกือกูลกันอยู่สติสมาธิปัญญานะเขาทรงกำลังกันอยู่ เป็นปัจจัยสนับสนุนกันอยู่นนโโอันนี้ตโมหะสะพุทธิอันนียอ้ผู่ศรัทธ า, าประเยันผู้เฮตัมผู้ตัวสั้นแบบไดนมดุมีสติไปเ้าไปอยู่ใสกของเขาเขาพระสมาสราังไห่เขโตัะสา้นเองพระครูบาอาจารย์หลอดแปดท่านองคไปสูสํานักแรกก็ไป ของเจ้าของบ่อเห็ุของเจ้าของบ่อท่ําเพชรชินท่อมขืนต่างขืนวิโตภวุรีกตะวิตาภวุรีกตาท่อมไหมากจะเดินไหมากอันนี้บ่อเหตุขันบ่ท่อมสมศรีภูขันบ่ดูสมศรีเพเว้นส่วนสมศีฮะจักว่าบ่มีเหตุในม่มีอะไรไปเยอะนี่จักว่าบ่มีอยู่ โบมี่มันยังโบมีบ่บัตรเชิร์มันมีสมัชชีโบมี่ห้อเห็ดเห่ามันมีเลยเนี่ยโ <c oughs> จเจาะของไปเห็มันกระเดาเท่านั้นเนี่ยของมีม่ของแก่กันยอะอะไรอย่างนี้โมหูม่ใช่โูอะไรบเัเธรมันหูสมัชชูอะไร มันโง่ยโง่หลมันแสดงตัวไม่ชัดเจนพอได้มันไม่มีเคยแต่มันมีจะวิบ่ได้เป็นอย่างนั้นจะวิบะได้ความวิจยก็ฟังเราชื่อๆ้างเอาข้อมือคน่เป็นขมตัวพ่อ่แม่หรอกมันเป็นความจำความจำเขาว่าจิงมัน้ยางกันความจำมันเป็นสัญญา มันก็เป็นความจริงหรืความจริงหูเองคข็นเองหายใจเองเห็นเองทำเองนั่นความจริงถเอาความจมันเป็นความิ่เาเลยเอางหเพิมม่นมเป็นอมูลโต้เพิ่นบอกแม่น้เพิ่นบอกแม่นเพินพนพ่นบอกโตนล มาทานเดืดเดือดเดืดเดให้มีสติสงรพ้นวายังสั่นไ ด, ไ ด, ได้ให้มีสติสังวรักษาตาหูจมูกล้กายใจไม่ยินดียินได้เวลาเห็นรูปังหูฟังเสียงจมูกได้กินได้ลดพ้นว่าเพ่อไงเพ่อให้มีสติสังวตัวเองได้รักษาตัวเองได้ ร him, him. Him, ักษาตาหู died, จมูกดิ้นคายใจหรือส so ิรักษาสาวาใจรักษาสปลายหายสามโคลายว่าใจใจอยู่ใส่เอาเอาอย่างรักษาแต่ว่าคิดว่อยู่คิดว่อยู่ว่อยู่แล้วปล่อยจิตเศรษฐีเป็นเสี่ยงผู้คิดว่ม่อยู่ไหนใส่ของใส่ใสแสนพันองค์กระหาใส่ของเขาเจ้าของโบราณเจ้าของเจ้าของประเทศเจ้าของ ไปหาเอาเด่๋ฟังซื่อฟังแล้วกวิทย์ธรรมฟังลงไปฟังจนเกี่ยงหูแตกก็ซ้ำเก่าดูมันดวตาสวดคือตาหูเนี่ยก็ซ้ำเก่าของบ่อเหตุมันข้อเหตุก็อยากหรอต้องเกี่กของสุดเกี่กของอัตติสันติสุขังพะฟาง เจ้าของเป็นผ <t breakdown> <dash i istance> ู้เชิดความสุขความทุกข์ินให้ตเจ้าของหันจิตังรับเขถาเมตวีผู้มีปัญญายอมรักสายจิตเออสิตตังสิบสุขาวะขังจิตที่ฝึกดีแล้น่านสมให้ปภวฝึกพวฝึกภวเฮตภวทัพไปหาฟังก็ได้จะฟังหูซีนดาความจำจำความเพลินเมวาเทียงกันเท่านั้นแหละ ผู้าอาจารย์อรันวอ์คสันูว่าอาจารย์อันัวสนี่ไปประหารประเทศันไปะบ่อนนีประเทศาม่เทียงกัรอือเอาพวกจำมาเที่ยงการด้วยไปได้สำที่เขาคอาจารย์ได้บูมัน็นอกนบอกว่าแแล้วแต่อาจารย์นั่นเปนกสิอาจารย์นี่เนบอกคุณท่นเขไมะเาะกันน ความจริงจะปจังเะปฏิบัติมันตเยนหูเองเห็นเองเข้าใจเองไหมของหาธรรมเป็นที่พึ่งธรรก็อยู่ใจตัว่ฟังตัวจะฟังยังไม่หูจะฟังสังฟังอ่ส่จะงสั่ใชหูทั้งนันหรไ ดูถ้ำน้าถ้ำคลา ย, ยสักทิศคือใสยูวันไห น, นยันที่้างกันหาถ้ำนโตจากของเงบุหูไปหาถ้ำถ้ำนี่ให้โตกันังบุหูบุหูถ้ำกับบุหูโตเนี่ยบุหูโตก็บบุหูถ้ำเงวไปนี่สติได้โตอยู่คือต้เงบวชต้องบำเพงญจิตหูเจะเขาเจวเราบุหูบึงแจ่เขาเจวเราบึง เข็นแต่เขาเจอเหนรือูหน่อเขนนทำไมไปการไปหูยังได้ถนอจะของยัง่หูจะของูนอเข็นนทำไมปการดอกบัวบานมีนี่ตัวจงูเขางูเขางูเขาหูจะการเก็บขี้วที่ใจส่งอยนั่งบุูสับ ผมจะยังเรือเรือเรือเอเอเอิง้เพิ่งจของัยังนยัง่ือใจกเป็นเขึ้นเนื้อตไปไก่ไปไปไปใส่ไปควยเอจักให้เมืงเจ้าของยืนเดินนั่งนเื่อนไหวไปบาแต่เมื่อไทเมงทวขาใสขาเขาลงบอกเ็ดหยังูให้เมืงเจ้าของ ค่าพุดค่าทั่วค่าคว้าค่าใสค่าใสค่าคว้าค่าผุดคาทั่วร่มเขาร่มโอร่มพุ่จุ่มทัไม่เห็นัมองแสงคือต้องมีเบิ้งตัวเบจะเป็นอยู่ท่ำมาเนี่ยดูท่อยู่ใส่หน่ำท่ำอยู่ใส่กายใส่คิดอยู่ใส่ก็คอเหนื่อย้ากันหอกันถอบเดิหาทํานกท่ำอยู่ใส่ แต่ของแขมุมเฮนแต่ตอของศัพท์คุณไปหาศัพ์โอ้ในนายเขามาทานนะว่า่นกินเนื้อกินไก่ไปไก่ไปไก่กินรุดก็อนรุดแอร์่อบกุดหอบบาสรงใส่เจ้าคนไปหาอีหยังโอ้ยหาให้เจ้าของมันเห็นทอนเพิ่เจ้าของมันเห็นทอน รักษาซ้ำไปหายสามโทษทายว่าใจใ จ, ใ จ, ใจยู่งสสมบรูรณ์วันนี้เบิ่งเจ้าของกานรักษาตัวบคุมโอยตังตี น, น่อยพ่อแม่กัห้องนี่จะเหื่อยเด็กมเพอขึ้นเจ้าใ้ใบเซียมซีเนสองยาบริสุทธิ์เข้าบ้านพ่อแม่ก็นนบารับค่อยลูกการรักษาตัวบกุมยังน้อย ยายนปัญญา ก, กา็ได้สิบบ่วงจะของอีกครัเฮ้่วงของเมษนใจเราขอรุงพีรีจากพเนียงนะหลักฐานโตได้หลุดเยอะบ่วงจะของได้หลุดเยอท่ดีเลยดีท่ามซัวเลยซัวเออไอบ่วงจะของหลักฐานโตจะของอัตยตโนนาโตต้นแลยเจ็ดนของส่วนเพื่อจะของได้ลุดเอ สักษาตูนีดีนะดูเรือปลอดภัยปฏิบัติดีปฏิสบปฏิบัติดีปฏิบัติสอบเพนดีเฮสอบนะดูเรื่อที่ิ่สิสอบจะได้แตของสมองหัจแของสอบใครสมัครแต่ใคร ที่ิปเก่าไปสู่ความใจทุกข์รมหายใจขอคือตายนี่ตายย่างหูมือไดยังก็ต้องจับจับผมสิตเทียมตัวรูหูไรการเดินทางขอบุฟังจากฟอมากระมางูมากระมาหลงมากระมาเมืดไปกันจิไปเมืด มาหลงก็จะไปหลงอีกมาบ่หูก็จะไปบ่หูอีกมามืดอก็จะไปมืด อ, อีกโลกเขาวิวัฒนธรรมทุกเมือ่อแต่เริ่องก้านาโลกโตนันแล้โงงโงง่เพราะไม่ท่านผู้ท่านโลกจค่เียู้โลกเห็นโลกเบิ่งโลก ผู้โรกไม่คว่มสุกข์อขนงโรกไม่คว่มสุกข์อโลกเขาจะเดินทาไรนิจใจตัวแห่งตําเสียเนี่ยดิน ต, ต้นนอไปเลคูกข้อตายพระธรรมโกโซนอยูู่กข้อตายอ่านมาเรื่องคือเป็นขันพระธรรมเรื่องูข้อตายที่นีนบอกเป็นเจ้าคณะภาคที่แปดนั่น มูเขาเลยเจ้ามูมูมูเขาเยนี่ยเจเรก็ยังไม่าดนะขาดต้งเปลี่นคีใช่ไมมันขาดครับขาดเขาจะฟาดขาดเขาจะขึ้นสัญญวัดพระยศที่ตำแหน่งคณามนูญไปขาดบัตเกียยมันขาดครับภาษาเน่ากับพระนมีน้อยมันถือ่าขา วันขอจำปุงวัวงนขอจำปูงอรางนี้แต่ขอยังอันนั้นคือเมื่อคุเอาผ่ า, ผาประกวออกเสีอหัวข้อแขนไปนคือพุ้ทีใตาเอาได้ไหมเจ่าต่อมาได้ไหมปัญญา S 2> <S 2> <S 2> วิจิตดีกิเิตดีนับถือกิเิต แ, แตนตามกิจิตรเสื้อผ้าแดนกับแดนผ้านางกับนางเรื่อยผ้าขาวพอดีเนี่ย ขาคูบาอาจารย์พระดูวัดขาจะอว่าตายเคลื่อนยืนบ่ปันป้นปั้นน่นบ่ผือเกิถึงผือผืออ้อปั้นนั่นเลยเอาสิทธิ์เป็นคู่เป็นบาขนาดนั่นบ่ก็มาบริจาคคู่กีเรศทั้งใจจะไหนกีเรศข้อมดูค้ามโผล่ค้ามหลงเป็นจังไปรปฏิญาณเทียนดูตำหน่าปฏิบัติเทียนดูกีเรศ ปฏิเวศดูแนวปอยว่าปริยัตปฏิบัตปฏิเวศทักทำสามก็ได้ยินอยู่บ่สรางความเข้มข้นกันสนับสนนกันอยู่โก้เขาเลยแม่เจ้ายันไงจะไม่ต้งขาดจากของเรเดียวพระท่านดนรอั่งเขากรรมฐานชื่อกันแหละจะขาดจาขาตายกันีเพื่อนาย เบื mund, ango, gesture, amigo, ่อนายโรคเบื่อนายสังขารเบื่อนายขาดเบื่อได้ขันเบื่อนายโรกไม่ถูกเป็นโรคเขียดเป็นโรคเงนโรคนี้เกิดขึ้นมาได้ถูกเขียดให้โรคแล้วจบอกาย้ผูก็ตายเอาเอาเลยแม่เจ้าขนที่สี เกิดมาหาสติป vale. ัญญาข้ามเมตสุเสือตรุบุไรเอาทีเด็ดมวัดอ่านกันหรือกันได้ได้อุ่นกกีกันขากันรอง้องผู่สิไรแล้วอก๊กอจาหาหาดอาหารบินตบากกันขาขตายการซื้อซ่งรัดมือสไร้อะไแต่อาหารกันจากอาหาร บินตาบาทบเกสโบปันกันจินบอมันมีหล้ยุ่กูแบบไปอน้อคดว่ากิเลสดีเอากิเลสเป็นู่กิเลสเป็นบามันมวยเห็ดกรรมานกเ็ดมันกรรหปฏิบัติกปฏิบัติมันไหนกินเดีวนอนนอนดกินก็เอามันตั้งเนืได้เห็ดตัน้ พอเหลือแหงเหลือขาขาขาเพ า, ขามันคือยาบาดยายิบรเพรามันคือเราคือเยชิงบรี่ขาดีคืเด็กตั่ง不能的，上不能的，不能让我离。ผมอย่างว่าทรมาขั้ ง, องอสอ น, นของพ่อคุธเจ้าขั้งสอนเขามาบอกพ่อตาเลย เป็นนั้นจะมาบวชผู้าของที่เพื่องไพร์จะเพื่งไพนาทีเมสจะนั่งอันย่างที่คพื่ออื่นของขาวพะเจ้ายมบทที่เมสทโมเมสจะนั่งกระรงกระซมเท่านั้นเป็นที่คพื่ของขาวพระเจา้าเอเตีนะสัจจวัตเต็นาโดยสัจจวัจจาาโสที่ทเมหองตูสมทภาพ เหนืออาจะเป็นคนอเป็นมนุษย์เอาใจเลยสุขใจผมบอกไปเมียนุคมียนุสุขใจผมกสุขใจผมก็ใจเย้ยสุขใจกับวิถีการสุขใจอย่างเดียวกัน ถ้าเราต้อัไปจีบบ้านนี้นะตั้งแ่ทำหนี้ต้องการส้องใจดีพอจะแต่จะโตให้โตมันก็ได้เกิดช่วงันเกิดขึ้นก็เถอะตายตายต้องกันตายขึ้นเถอะโตใโตมั่นให้หวันกับ่อะไร่ี่้ามันบ่องที สุขเรื่วันสุข่อสุขเรวัสุขเรื่องสุขสุขกับสุขีได้สุขีดีแต่สุขีไม่ค่สุขีสเอาดีที่เอาไปดีที่ก็เนอนอแต่เไม่ทิ้แต่ไป ยับประมาทยับประมาทไม่ตองเจ้าด่ายับประมาทชีวิตก้าวไปดู้่างกายดูมูปหายใจหาเใาที่เดินที่เดินที Cena ่ไปที่ไปถึงสุดไม้สายตาเกิดมาเจริญ mmm จัดตกปรสาศาสนาเจริญีคุณนี่จะในหัวเป็นพระพิธีในกุศลศึกษาหรือผ่าฟาดาวพัด อันเป็นต้นใ่ของปาราสันทาสูถึงขนาดนี้แปลว่าภระที่แกการจะหลุดหมดไม่ใช่คนหลุดหมดก็องคนหลุดมาได้กันนะคุณประเ็นใต้มันเห ม, ม, ม็น ม, ม, มันตายนเลยสาเน้นรับการโน้ม ใ, ใช้บ่อยไปเล แต่บ้านเราเองเนี hmm. ่ eh ้าเป็นคเราที่เคข้าวผู้อื่นาเอก็มาขาวจ้ะของที่เคขอบเชือกรก้นจนกระชากของสิเด็ดถ้าในขาจะ้องกระชาไที่ขนาดนาดควกมคลีแ่สิเด็ดอวามสบรอกัทต่เไม่ได้จะตัด คือขนาดนาด่านากลับนั่นไม่ได้หรือขาพอดีแมขาที่สีขาขาเจ้าโองขาขาโมยมขากันนี่ขาพะพะขาเนี่เออขาพ่อพ่อขาลูกพ่เต่าขาลูกค่อยู่วยขาพ่อถอดนี่ขาพ่พ่ขาเนี่ยนี่ยังไนี่ยันมันกลับ กานนี้ก็คืออยี่ยนแดนงแดงน้ำีที่ใส่หน้าใสา่ได้เสมอมาครับที่ไปเป็นถานนี่แต่ดููมิใจเจ้าพระยอดมาแข่พอภูมิใจเจ้าจะขนน้องมาจะได้ยินกับคำว่าแข่วัดไทสมะอย่างชาวอื่นที่ยิ่หในตลอดการ แผลมันจะพกแล้วสาดหีือเป็นศาสตรทุายคันเสือบมากเป็นมนุษย์นั่งถิ่มันยังแทลนี้ที่แผลก็มัมเส้นเหญ่เยอะที้เียเป็นตัวเป็นมาปเป็อ น, านอานญาโกรดเขามากศึกษาหาปัญญา ้าสหาหามาความเหงาคามชลาแก้ไขปัญหาให้วิเคราะถูกไขในที่ใจตัวิีกเมอไหร่ถูกออเป็นกุ้งแกงงูเป็นปางรงจับเป็นหลกายอยังมีหัเนแดนกระยแดนกระจาแดงกระแดนกยน่องสี่สีั่งไตลูกโดที่บอว่าวัดเช็คหน่เดออกมากว่อหาเมือออกมา มันสี่โตมันสี่โตไป้นจังกายมลนสีเทียบกายดแะแถมค้มพแพสมุนของจิท่านสั่งได้ยท่านนร่รจะรนแก่โตก็ได้ตายได้ท่านจังย้ ต้องเกลีก็ทำทำก็เกลียเป็นศัตูกันมากเลยที่เราทำกันแล้วหักพังก <จะ S 1> <Make S 2> ันเกลียดไปดีไปอยู่ไปบุญไปตายไปบริวชนกต้องมาแก่แต่มากก็แหงน่ะทุกข์มา่กแหงน่ะอาบตาไร้แก่จะจึงใช้ี่ือดนับหอยนับน้องนําข้องนับบุญมันก็ได้พบก็ได้ทำทำที่สุดแล้วก็แก มันไม่ค่อยดีนะเป็นประที่หเอาขอไปทั้งคุกเขาจะได้ขอดาา้อยามาผมอย่างสั้เขากาามมินแอลฮัพแอลฟุตหนมากเขาขอไปอีกดีใจจังเลยดีใ ที่จะไม่เหยียวยาวคำยืนสัิอะไร่นนะค่นเลยิะพบอกอมก็คือคิดสบายคิดนั่เอมนูง้องุเิ่มูการาอ จะบอกไปเดาไป็ใคดันคิดเนี่ยจะ้เือ